บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านในนได้ ม, มนหลวงตามาเป็นเจ้าวาดคนใหม่เนื่องจากเจ้าวาดคนเก่าได้มรณะภาพไปหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ท่านถึงวันพระยินดี ม, มนหลวงตาคือรทรรมะแสดงธรรมคนมือมาฟังธรรมจากหลวงตาเต็มศาลาแต่หลวงตาพุทธะไม่เป็นท่านก็พูดบกไปวนมาทําให้ชาวบ้านรู้สึกผิดหวังแถมเสียงไม่สูงไม่ต่ำเป็นคีเดียวกันหมดชาวบ้านก็ค่อยๆหลับกัน บางก็โกลเสียงดังเกินกว่าครึ่งหนึ่งใครไมาถือวันพระต่อมาหลวงตาก็พุทธม้เหมือนเดิมครั้งนี้ชาวบ้านหลับมากกว่าเดิมหลับประมาณ 80% เซ็นต์ลยตับสบายโกลนเสียงดังด้วยใครมาถือวันพระที่สมที่หลวงตาแซงทำครั้งนี้ชาวบ้านหลับเกือบทัาสาลาหลังจากหลวงตาพุทธม้เสร็จมังคตายกก็นําชาวบ้านส่วนหนึ่งไปหาหลวงตาที่กุฏิใครไปถือก็บอกหลวงตาเนี่ยพุทธม้าไม่ได้เรื่องเลย ชาวบ้านหลับเกือบหมดหลุงตานั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งอาจจึงพูดออกมาอย่างลิบเรียบแต่น้ำเสียงค่อนข้างจริงจังว่าพวกโยมไม่รู้จักของดีพวกโยมหลายคนไปเจอเปัญหาชีวิตเกิดความเครียดจะนอนไม่หลับต้องเสียเงินเสียทองซื้อยานหลับมากินอธิมาเทศให้พวกโยมฟังแล้วหลับกันจะสบายโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอองอยังจะว่าไม่ดีหรือเรื่องนี้แค่จบ ผู้พูดดับเรื่องนี้มาพูดเพาเห็นว่าช่วงนี้ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยใกล้มีงานแสดงธรรมโดยมีครูบาอาจารย์เวียนกันพูดเนื้อในงานระลึกถึงบุญคุณหลวงพ่อขมเขียนและมีการไหลสดด้วยหลวงตาสอนธรรมดีก็สอนธรรมะเราได้นะขนาะที่ผู้ฟังเนี่ยให้ฟังครูบาอาจารย์พูดอย่างไม่คาดหวังในตัวท่านว่าท่านจะพูดดีไหมให้เราดูใจเรา ท่านพูดดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างเรารักษาใจเราจะให้เป็นอกุศลให้เป็นกุศลไว้ก่อนเรารักษาใจเราให้ดีก็พออันนี้เพราะครูบาอาจารย์บางคนก็พูดเก่งบางคนก็พูดไม่ค่อยเป็นบางก็พูดธรรมะถูกใจเราบางก็พูดธรรมะไม่ถูกใจเราเพราะแต่ละคนชอบยังไงก็พูดอย่างนั้นอ่ะจะไม่เหมือนกันแล้นผู้ฟังต้องใช้ดูพิริศพิจารณาเอาเองอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ จากการฟังธรรมคนเราจะทุกข์หรือจะสุขก็เกิดจากความคิดคนเราจะคิดไม่เหมือนกันทั้งที่เห็นเหมือนกันขึ้นอยู่กับการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละคนและจิตใจบางคนก็มองโลกในแง่ดีบางคนก็มองโลกในแง่ลบคือคิดทางลบไปก่อนบ้างก็คิดแต่เรื่องดีๆเป็นกุศลจนไม่มองโลกตามาพาป็นจรินก็มีอย่างทิทานเซนเรื่องนี้เป็นต้น ที่ประเทศจีนมีวัดเซนแห่งหนึ่งมีพระอยู่ด้วยกันสองรูปเป็นพี่น้องกันผู้พี่เป็นเจ้าวาดมีศีปัญญาเฉลียวฉลาดโคงแก่เรียนส่วนผู้น้องพิการตาบอดข้างหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์บุ๋วามขี้มโมโหโง่เขาลาบัญญาอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระอรุกะมาขอพักตามธรรมเนียมของวัดเซนพระอรุกะจะพักได้ก็ต่อเมื่อตอบธรรม ชนะเจ้าบ้านถึงจะมีสิทธิ์พักพระผู้พี่เห็นใจพระอรุกะที่เดินทางโรงแรมมาอย่าให้พักค้างคืนเห็นว่าน้องชายตัวเองเป็นคนไม่ฉลาดจึงให้พระน้องชายเนี่ยไปโต้วาทะกันหายไปสักพักหนึ่งพระอรุกะก็มากราบลาบอกผมแพ้แล้วน้องของท่านเก่งมากผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะพะักที่นี่เจ้า ว, ว่าก็งงว่า น้องชายตัวเองชนะได้ยางจึงถามว่าเป็นมาอย่างไรพระคารุกะบอกว่าขณะที่เราโต้ปริศนาทรรมกันนั้นผมชูหนึ่งนิ้วน้องท่านชูสองนิ้วผมชูสามนิ้วน้องท่านชูกำปั้นความหมายหนึ่งนิ้วของผมก็คือคือพระพุทธน้องชายท่านชูสองนิ้วก็หมายความว่ามีพระพุทธแล้วก็ต้องมีพระธรรมผมชูสามนิ้ว หมายควว่ามีพุทธพระธรรมแล้วต้องมีพระสงฆ์น้องชายท่านชูกบ้านขึ้นแสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งคือพระธาตุไทยผมรู้สึกแพ้อย่างอย่างรับภาพืึอมาขอกล่าวลาท่านเพื่อไปภาคพันอื่นครับแล้วก็กลาบลาไปสักพักหนึ่งพระตาเดียวก็วิ่งก็ะหืดก็หอบมาบอกไหนไหนไอยู่ไหนขอตะบรรันหน้าท่านหน่อยผู้พี่ก็สงสยัยว่าเรื่องมันเป็นยังไงชนะแล้วทำไมต้อง โกรธเขาอีกพักแต่เดียวก็เล่าให้ฟังว่าเขาชูหนึ่งนิ้วหมายความว่าดูถูกผมว่าผมมีตาเดียวผมจะชูสองนิ้วขึ้นสื่อว่าเป็นแขกเบฮาลูกะว่าท่านน่ะมีสองตาไหนหน่อยแน่มันกับชูสามนิ้วหมายความว่ารวมกันเราสองคนมีสามตาผมเลยโกรธมากตีชู ก, กับป้นขึ้นเพื่อชกมันมันก็เลยรีบหนีไปเนี่ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เจ้าวาดภูพี่กลุ่มศีรษะเลยและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระคูณนี้พระอรุกะเป็นพระที่มองโลกในแง่ดีคิดแต่เรื่องกุศลคำพูดคำจาจึงเต็มไปด้วยกุศลหรือธรรมะไอ้ฝ่ายน้องชายพระตาเดียวเนี่ยจะคิดแต่เรื่องปมด้อยขอตัวเองอคือมีตาข้างเดียวใครพูดอะไรก็มองไปทางอกุศลหมดคือคิดแต่ด้านลบทั้งสองคนนี้จึงมองโลกแบบปิดเบือนไม่ตาภาเป็นจริงก็สร้างปัญหาล่ําไป อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของความคิดที่มองโลกบิดเบือนไม่เห็นตาวามเป็นจริงคนทะเลาะ ก, กันก็เพราะคิดแบบเนี้ยเพราะเห็นไม่ตรงกันเห็นด่างบุมการมองโลกอในแง่ดีไม่ใช่มองบิดเบือนคือ ก, การมองบวกก็คือคื อ, คอต้องมองเห็นตาพามเป็นจริงด้วยแต่ถ้ามองบวกโดยมองไม่เห็นตาพามเป็นจริงมันลกลายไปหลอกตัวเองไปไม่เกิดประโยชน์มีหลายคนหลอกว่ตัวเองมารู้ธรรม ว่าตัวเองเป็นภารยะยาบุคคลขั้นในขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อว่าตัวเองเป็นภริยาอยากสอนอยากแสดงไปสอนก็มีใครยอมรับเพราะเห็นว่าผู้ที่สอนเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสตัวอัตตาตัวตนแต่มาสอนให้ละอัตตาตัวต น, นนี่เป็นเรื่องขัดแย้งกันเราต้องมองโลกตามความเป็นจริงมองทางกุศลคีดผ่านตลอดช่วงนี้บรรยากาศประเทศไทย ก็ถือว่าเครียดคนติดโควิดกันมากมายจะหยุดไม่อยู่แถมคนตายก็มากคนที่เครียดอยู่แล้วพอย่าพี่น้องตายพ่อแม่ตายก็อยากเครียดซ้ำสองคือโทษรัฐบาลโทษโควิดเพราะโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันเขา ย, ยอมรับฝ่ามเป็นจริงไงะรโทษสิ่งอื่วัตถุอื่นอยู่เสมอการที่โทษบางทีก็ทำให้จิตเราเนี่ยเป็นอกุศลได้แทนที่จะเป็นกุศล ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นถึงสถานการณ์จะเครียดแต่เราไม่เครียดด้วยก็ได้อย่างเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ฮาคุอินท่านเป็นครูบาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์ของโชกุนท่านใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายชีวัดของท่านเนี่ยใกล้ๆ ก, ก็มีร้านขายของชําร้านนี้มีลูกสาววัยรุ่นแล้วต่อมาเฉยก็ตั้งครรภ์พ่อแม่หญิงสาวโกรธมาก พ่อไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กจึงดุดาทุบตีเพื่อเชิสารภาพว่าใครเป็นพ่อของเด็กแต่ท้องลูกสาวถูกบีบคั้นมากๆไม่รู้จะทำไงจึงหลุดปากว่าอาจารย์ฮาวูอินเป็นพ่อของเด็กในท้องพ่อแม่ผู้หญิงโกรธมากเดินไปที่วัดไปหาอาจารย์ฮาวอินฮาวูอินไปถึงก็ด่าอย่างเสี ย, สย ห, หายหายคั่นด่าเสร็จอาจารย์ฮาวูอินแทนท่จะโกรธนะท่านกลับเปิดขึ้นว่า อย่างนั้นเองหรือการเวลาผ่านไปหญิงสาวเธอก็คลอดเด็กออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักได้ยินดูตายายของเด็กเนี่ยก็ได้อุ้มหลานเนี่ยเอาไปให้อาจารย์ฮาวินเลี้ยงเพราะ น, นอาจารย์ฮาวินก็ไม่ไปเศษก็ยินดีเลี้ยงเด็กเลี้ยงอย่างดีด้วยนะหานมหาอะไรมาให้เด็กกิน แต่ตอนนี้ชื่อเสียของท่านปนปี้บ่นแล้วมีแต่คนประนามท่านว่าท่านเป็นพราทุศีลเป็นคนไม่ดีแต่ท่านก็อยู่แบบปกติของท่านไม่ได้ศึกษาอะไรอย่างใดขยากดินทาก็ดินทาไปท่านก็ปฏิบัติธรรมแต่เปภาระเพิ่มขึ้คือคือเลี้ยงเด็กผ่านมาอีกหลายเดือนแม่ของเด็กเนี่ยก็เกิดอาการสํานึกผิดวิร้อนใจสำนึกบาปที่ตัวเองใส่ร้ายพระผู้บริสุทธิ์ จึงเล่าความจริงให้พ่อแม่ฟังว่าพ่อของเด็กเนี่ยก็คือไอหนุ่มหาปลาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยสองตายายตกตะลึงพ่อได้ด่าอาจาร์เฮาอินไว้เยอะแบบเสียหียหายจึงรีบไปที่วัดแบบด่วนใครไปถึงก็ไอป่าขอโทษซะยาวเหยียดแบบจริงใจมาก อาจารก็เอ่ยขึ้นว่าอ๋ออย่างนั้นเองหรือสอตายายก็อุ้มหลานกลับไปเรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้ตาหลังอาจารย์ฮาวีนก็ชื่อเสียงเริ่มกลับขึ้นมาแถมคนรักสือมากกว่าเดิมอีกเพราะท่านผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาโดยที่ท่านไม่ทุกข์คนกับนักสือมากขึ้นเรื่องของอาจารย์ฮาวีนเนี่ยก็เป็นแงกคิดที่ดีสําหรับเรา ก็ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ในการปล่อยวางแต่ก็หาคนทาแบบท่านยากนะเพราะโดยธรรมชาติต้องแก้ตัวแก้ต่างเพราะตัวเองไม่ได้ทําอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ผู้พูดเคยพูดบ่อยแต่บางคนก็ยังไม่ได้ฟังอาจจะเกิดประโยชน์คนที่เคยฟังก็ถือฟังใหม่อีกครั้งก็แล้วกันปีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรหลว ง, งพ่อท่านนี้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีในชีวิตของท่านมีแต่ความสุข เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านชอบอุทานว่าดีเนาะครั้งหนึ่งโยมานิม น, มนหลวงพ่อไปพูดธรรมะที่บ้านบอกว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อนั่งรอจนสายโยมก็ยังไม่มารับสทัทีท่านจึงว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันข้าวของเราดีกว่าเนาะท่านฉันข้าวได้ไม่กีโยมก็มารับพอดี และขอโทษที่มาช้าเหตุพเพรารถป็นเสียหลวงพ่อจึงหยุดฉันก็ดีเนาะไปฉันที่งานเนาะหลวงพ่อนั่งรถไปได้สักพักรถกระดับไดืด้อคนขับบอกว่ารถเสียหลวงพ่อครูทานว่าดีเนาะหยุดพักชมยู่เนาะคนขับลงมือซ่อมรถทันทีแต่ทำอย่างไรเครื่องก็ไปติดจงวานให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถ คามจริงหลวงพ่อก็อายุมากแล้วข่าวกวัญฉันได้พี่ขีคำแต่ฉันที่ท่านจะบน่นท่านกลับยิ้มบอกว่าก็ดีเนาะได้ออกกําลังเนาะแล้วท่านก็ออกแรงช่วยเข็นจรวดวิ่งได้ปรากฏว่ามาถึงบ้านงานก็เลยเที่ยงแล้วหมดเวลาฉันอาหารไปแล้วเปนน็นว่าวันนั้นปวดทั้งสองมือ้อไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นทํามาทันทีหลวงพ่อก็เห็นขึ้นว่าดีเนาะมาถึงที่ทํางานเลยเนาะ ว่าแล้วถ้าคือทำรร ม, มาเทสจนจบสิทธิ์ชงกาแฟมาถวายแต่ด้วยความรีบร้อนเผือตักเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อดื่มกาแฟไปได้หน่อยก็บอกยมว่าดีเนาะแล้วก็วางแก้วลงลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อทานกาแฟเหลือก็ถือว่าการได้ทานของเหลือจากครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นมงคลจึงมาขอทานกาแฟแก้วที่เหลือลูกศิษย์ดื่มกาแฟ แค่อึกระกกระพุ้นพูดออกมาเข็มปี๋เลยหลวงพ่อฉันไปได้ยังไงหลวงพ่อเอ่ยว่าดีเนาะฉันกาแฟอ่อนหวานมานานฉันเค็มเค็มบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านจะแย่แค่ไหนหลวงพ่อก็มองเห็นแต่แง่ดีถ้าจริงไม่มีความทุกข์เลยอะไรอะไรก็ดีเนาะหมดหลวงพ่อดีเนาะไม่ใช่พระธรรมดาหาเป็นเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อของ จ, จังหวัดอุดรใครๆก็รู้จักท่าเนเบเกจีอาจารย์ชื่อดัง ยุเดียวกับหลวงปู่มั่นมีราักัลละของลูกิษย์มาถวายอยู่เป็นประจโจนไปที่หมายตาของโจรผู้หนึ่งโจรผู้นี้ก็หาโอกาสแล้ววันหนึ่งก็โอกาสเหมาะขนาะที่หลวงพ่อกำลังไหว้พระสุดบนอยู่โจรที่มีประวัติบนคาเจ้าทรัพย์ไม่หยาชกโจรก็บุกเข้ามาชิดตัวพร้อกับผู้จา ค, มค่มขู่นี่คือการปล้อนอยายนขืนไม่งั้นตาย หลวงพ่ อ, อยังยิ้วว่าโจนได้อารมณ์ดีและไม่มีอาการสะทกฐานในอย่างใดท่านพูดกับโจอย่างนิ่มวนวลว่าป้นก็นดีเนาะโจนชักแปลกใจในคำพูดของหลวงพ่อโจนตะคอกหลวงพ่อถูกป้นสบายถึงดีละ่ะหลวงพ่อตอบว่าทําไยจะไม่ดีละ่ะ ข, ข้าต้องทนทุกขทรมานเฝ้าไอสมบัติว่าบ้านนี้มาตั้งนานแล้วเองเอาไปเสียให้หมดข้าจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอี้ โจรไม่หยุดแค่นั้นข่คมขู่อีกไม่ใช่ป้นอย่างเดียวฉันต้องฆ่าอีกด้วยเพื่อปิดปากหลวงปู่ตอบเหมือนเดิมถูกฆ่าก็ดีเนาะโจรรู้สึกแปลกใจมากจึงถามถูกฆ่ามันจะดีอย่างไรล่ะหลวงปู่ตอบฆ่าเนี่ยมันแก่แล้วอยู่มาตั้งนานนายจะได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องคอยดูแลสังขารที่ร่างกายเสื่อมโทรมโจรได้ฟังนั้นก็ใจอ่อนที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้ หลวงพ่ตอบเหือเดิมไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจงศสงสัยและค้องใจจึงถามทนายฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีหลวงพ่ตอบว่าการฆ่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเองต้องชดใช้เป็นกรรมสั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างน้อยผู้ตํารวจเขาก็ต้องตามจับเองเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่เองก็ถูกฆ่าตายตายแล้วจะต้องตกนรกอีกโวโจรได้ฟังดังนั้นเกิดสำนึกผิดเปลี่ยนใจ ถ้าย่างนั้นฉันไม่ป้นหลวงพ่อก็ได้ไม่ปนก็ดีเนาะอระจกกระจากไปด้วยดี<ๆ>นี่ถ้าเป็นคนอื่นให้รา โ, โจรฆ่าตายไปแล้วอาจจะขัดขืนไม่ยอมโจรทำมาจากหลวงพอดีเนาะเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตรประจําวันได้เวลาเกิดอะไรที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่ได้กใจเราก็ดีเนาะถูกด่าก็ดีเนาะถูกตาหนิก็ดีเนาะ ฝนตกตกผ้าไม่ได้ผ้าไม่แห้งก็ดีเนาะแดดแรงแดดร้อนก็ดีเนาะหนาวก็ดีเนาะอะไรอะไรที่ไม่ได้ตใจใเราก็ดีเนาะถ้าเรามองโลกแบบหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยทุกของเราก็น้อยลงปัญหาต่างๆก็จะคลี้คายเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องที่หายไปทุกปัญหาผ่านหมด เพราะความคิดดีตัวผู้พูดก็ใช้ธรรมะของหลวงพ่อดีเนาะบ่อยเวลาเกิดอะไรนี้ไม่แังใจก็ดีเนาะมันก็ได้ผลดีตนายบาลคนดนึงวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ก็ตั้งใจว่าจะตักบาทรผ้าสก้าลูปแต่เพอเอินเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยจึงตื่นสายเตรียมอาหารมาใส่บาตมองซ้ายมองขวาไม่มีผ้าเลยสายตาเหลือไปเห็นเดน เดินมาคนเดียวจึงนี่บนเนรมารับบาทคั้นตักบาดเสร็จแล้วพยาบาลจึงเอ่ยกับเนนว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมนะเนนให้พรโยมด้วยเนก็ทําหน้าตาเลือกลักมองซ้ายมองขวาเพราะเนรเพิ่งบวชได้สามวันยังให้พรไม่เป็นจึงเอ่ยกับพยาบาลตรงๆว่าเนรให้พรไม่ไม่เป็นพยาบาล ก็บอกว่าไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันมงคลวันเกิดของโยมเนนให้พรยังไงก็ได้เอยเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เนนสะดวกสามิโยมมีความสุขก็พอละเนยนคิดยืนคิดสักพักหนึ่งแล้วก็คอยให้พร Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you พยาบาลก็มีความสุข นเนยก็มีความสุข happy แฮปปี้สองฝ่ายวันนี้เป็นวันเกิดของผู้พูดเพราะปกติวันพุธเนี่ยไม่ใช่คิวของของผู้พูดแต่เนื่องจากงานหลกของหลวงพ่อเขียนก็เลยสลับคิวกันเพราะผู้พูดเนี่ยไม่ชอบไร้สดเห็นว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะพูดธมหโยมงฟังเท่าไหร่ชอบสอนตัวเองมากกว่าจึงมีการสลับคิวกัน คนจัดก็ให้ผู้พูดมาพูดวันเกิดมาพูดวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะเพราะได้พูดวันเกิดตัวเองวันเกิดทุกครั้งเนี่ยอายุเรามากขึ้นเวลาของเราก็น้อยลงทุกปีถ้าเป็นทางโลกเนี่ยก็จะจัดงานวันเกิดกันให้ของขวัญกันหวยพรกันให้อายุบ้านขวัญยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทางธรรมกับต้กนข้ามทาให้เราเนี่ย พิจารณาวันเกิดไปเสร็จาำชีวิตความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยใกล้เราทุกขณะชีวิตของไม่เที่ยงวันสมมุติทางโลกเนี่ยทางโลกให้ความสำคัญเมื่อวันปีใหม่จุดจีนสงการคิดมากหรือวันวันสำคัญอื่นๆแต่ทางธรรมเนี่ยทุกวันเหมือนกันหมดอย่างวันเกิดอนุมาอนุมาก็ให้พรพวกโยมเนี่ยก็ให้ หลับสบายกินง่ายถ่ายคล่อง พ, อพอระพรสามอย่างนี้ยเป็นพรที่ใกล้เคียงกับความจริงชีวิตประจำวันเพราะคนเราเนี่ยหลับสบายก็ยากบางคนก็นอนไม่หลับเครียดกินก็ยากบางทีเจ็บป่วยก็กินลำบากบางคนฟันก็ไม่ดีการกินบางทีก็เป็นทุกข์ก็ได้ป่วยเป็นโรคนู่โรคนี้อาหารบางตัวก็แสลงกินไม่ได้การกินง่ายจึงเป็นมงคลถ่ายคล่องนี่ก็สําคัญบางคนท้องผูก การถ่ายข้องเนี่ยทำให้ลำไส้ไม่อุดตันเชื้อโรคต่างๆได้ออกมาเพราะว่าถ้าลำไส้เต็มด้อุจาระเนี่ยมันก็็นบอกเกิดแห่งโรคต่างๆทั้งสุขภาพแย่ด้วยท่านพอนกินง่ายถ่ายคล้องหลับสบายสิ่งสำคัญอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาเอวัง